ระยะนี้มันฝนชุกเนอะใครอยู่กุฏิกุฏังนี่รวมทั้งละด้วยมีชีดังในครัวรด้วยใครอยู่กุฏิที่มันชื้นๆนี่กต้องรู้จักรักษา ต, ตัวเองนะชืน้นถ้าเพื่ออะไรนิงซักบอบากบอแหงนะิงพืนหนึ่งสองผืนสามผืนก็บอแหงนิดต้องช่วยตัวเองเนะ ไปอยู่ใกล้แดดตรงไหนมีตรงไหนมีแดดเราไปตากแดดขึ้นแดดขึนตารเราแห้งตากไม่แห้งตามกระติกกระตังกระต๊อบกระแทบที่มันมีอะไรมันศาสตรกันไม่ดีอะไรไม่ดีพระที่ไปอยู่ก็ดูด้วยต้องดูเยอะรักษาดูแลด้วย เวลาลมเวลามีพายุเวลาอะไรมานี่กาา็ต้องรู้จักระมัดระวังด้วยต้องรู้จักช่วยตัวเองด้วยใ ก, กลต้นไม้ใหญ่อยู่ป่าก็ต้องดูต้องระวังต้อช่วยตัวเอง ไมเคยอยู่สะดวกสบายตามบ้านตามรายที่ถาวรแน่นหนาถาวรแล้วก็ไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองน้ำท่าการใช้สอยห้องน้ําห้องผ่าอะไรการรู้จักช่วยตัวเองนั่นแหละเป็นธรรมการช่วยเหลือตัวเองนันเป็นธรรม อัตยาตโนนาโถเดตนแลเป็นที่พุ่งของเล่อเาตัวเองเป็นธรรมี่เกียรที่คาน่ยเหลือตัวเองดีมาดีเป็นี่เลมาแท้ที่เกียร เ, เด่ดเนาง ท, ที่เกียร์ ท, ทารนึจะบุกบึน ฝืนอดฝืนทนช่วยเหลือตัวเองเป็นธรรมการรู้จักสั่งสมอบรมสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บสะสมบุญเล็กบุญน้อยบุญมากบุญน้อยบุญเล็กบุญใหญ่ มันเป็นธรรมมีเกียรสะสมดีไม่ดีเป็นกิเลสกิเลสพาขี้เกียจเยด้ดูออกไหมเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมดูให้ออกเขาแล้วกันน่ะโทษเอพะพาแดดดินลม โทษผีโทษสางโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่เคยโทษตัวเองนั่นไม่มีธรรมไม่เป็นธรรมมีธรรมเป็นธรรมก็ต้องรู้จักโทษตัวเองต้องมีตัวเองเตือนตนด้วยตนเองต้องมีตนด้วยตนเองบอกตนด้วยตนเองสอนตนด้วยตนเองบุชาพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยเรียวแรงด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเอง ด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองมันให้ขยัน <c oughs> การรู้จักพึ่งตัวเองน่ะเป็นธรรมการพึ่งตัวเองทำให้เราเกิดปัญญาอุปสรรคข้อขัดข้ อ, ของต่างๆที่เราประสบพบเห็นนั่นแหละ มันจะเป็นเครื่องเสริมปัญญาเรามันไมีอะไรช่วยแก้ไขอุปสรรคขัดข้องอยู่สะดวกสบายไปกิเลสดึงไปกินแล้วกิเลสดึงไปกินแล้วไม่รู้ไม่ทันมันรู้อยู่อย่างกดอยู่อย่างฝื้นอยู่ยังทนทนพินิษพิจารณาไข่ครวรใจปรองหาอุบายหาความฉลาดให้กับตัวเองเป็นธรรม อย่าไปทําแบบหัวชนฝาอยู่อย่างหัวชนฝาไม่ต้องมือตาดูเลยแหละหลับตาตึมเลยหลับตาตึมเลยก็ได้อยู่อย่างหัวชนฝามันผิดที่ไหนนะลองไปยืนใกล้กลๆฝาลองดูลองเอาหัวชนกับมันดูมันไม่มีผิดแหละหลับตาตึมตึมตึมล้นแหละเขาเรียกว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญา อยู่ทำอะไรทำอย่างหัวชนฝาทำอะไรให้ได้ภาคภูมิใจด้วยแง่มุมอุบายปัญญาของตัวเองน่าภาคภูมิใจข้อเล็กข้อน้อยข้อยุ่งยิ้มยิ้มอะไรก็ตามแท้พยายามใช้แง่มุมที่เกิดปัญญาช่วยตัวเองหรือเจ้าท่านสอนฉลาดท่านไม่สอนโงท่านสอนฉลาด คนเฉลาต้องมองมองเห็นอุปสรรคเมื่อมองเห็ น, หนอุปสรรคพยายามแก้ไขสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคตามมาการที่จะแก้ไขได้ก็ต้องด้วยคิดไข้ครวนไตรตรองด้วยอบาด้วยวิธีเกิดประโยชน์อยู่อย่างปลาเป็นไม่ใช่อยู่อย่างปลาปตายปลาตายลอยทุกป่องทุกป่องทุกป่องลอยไปตามน้ํา ลอยเวลาน้ำมันพาไปไปติดปฏิบสะวะก็ไพวกที่ติดสะวะด้วยกันกับพวกตุ๊บป่องตุ๊บป่องดืวย ก, กันนั่แหละกองบูดกองเน่ามันกองกองกันอยู่ที่สะวะที่น้ํา ม, มันพัดไปกองกันนั่นะอยู่อย่างปลาตายอุปมาท่านพูดไว้อยู่อย่างปลาตาย มันก็ไม่ต่างอะไรกับเศษสวะอยู่อย่างปลาเป็นคือคืออยู่อย่างสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่อย่างฝ่าฝืนอยู่อย่างใช้สติอยู่อย่างใช้ปัญญาใช้ข้อระมัดระวังอยู่ในท่าทีที่เตรียมพร้อมเหมือนปลาเป็นหรือว่าเหมือนปราเป็นโดยปกติปลาเป็นมันจะว่ายทวนน้ำเสมอ มันจะว่ายทวนน้ําเสมอมันอยู่ในท่าทีที่จะทวนน้ําอยู่เสมอมันไม่แล้วแต่กระแสน้ําจะพัดไปทุกปองทุกปองทุกปองทุกปองคนที่อยู่แล้วแต่สภาวะแวดล้อมจะดึงไปจะลากไปจะชักไปจะพาไปนไม่ต่างอะไรกับภาวะของปลาตายคนที่อยู่ยังใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาคล้ายควรวันคืนล่วงไปสีโนนเกิดสินี้เกิด ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยเที่ยวแร ง, งตัวเองแล้วก็ต้องรู้จะไค้ครวญด้วยอันไหนผิดศีลอันไหนผิดธรรมอันไหนถูกศีลอันไหนถูกธรรมคำว่าฉลาดฉลาดก็ต้องคำว่าศีลธรรมต้องนำหน้าไม่ใช่ฉลาดแบบภาษาโลกโลกลืงไปเป็นเรื่องของอิเลส แบบนั้นยิ่งตามมันก็ยิ่งจมยิ่งตามมันก็ยิ่งจมต้องต้องระวังปลาที่ออกมาชันอย่างนั้นตอนเช้าพยายามไมา้ทันไม้ทันหมูเอาตีสี่เป็นแกนก่อนตีสี่มาก่อนตีสี่มาถึง ก่อนตีสี่บ้างมาถึงหลังตีสีบ้างสีนาทีห้านาทีบ้างไม่ไปจำปัดกวาดเช็ดถูปูอสนะเสร็จพร้อมกันทำวัดสตรวจมนนั่งภาวนานี่ผู้ที่ออกมาชั้นผู้ไม่ออกมาชั้นเราก็ไม่ได้บังคับตอนตรง น, นี้ ตอนตอนเชาน้าเนี่มาฉันทุกวันก็ได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันแล้วก็ได้นั่งภาวนาไปทุกวันก็เป็นการสะสมไปทุกวันเป็นการสะสมเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นการสั่งสมเป็นการอบรมตัวเองไปทุกวันตนเองอบรมด้วยตอนเองเอาพุโทโธนี่แหละอบรม เอาพุโทโธเป็นแบบฝึกหัดเอาพุโทโธเป็นแบบทดสอบทำเป็นประจำทำด้วยสังเกตสังกาทำด้วยทำแบบศึกษาว่างั้นถะทำด้วยสังเกตสังกาจะทำยังไงก็ตามความอดทนต้องเป็นภาคพื้นขันติคือความอดทนเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเอาไว้ เอาความความอดทนเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเอาไว้อย่างอื่นก็ก็พร้อมที่จะเจริญว่าเงยตามหละเช้าวัวนไหนเราไปชุมตอนค่แเราก็พาทาวัดสวดมนต์แล้วก็พานนั่งเฝ้านาก็จะเอาทุกวันก็เราก็ยังไม่เคยพาทาทุกวันนะตอนค่าเป็นสองวันสามวัน เว้นหนึ่งวันเว้นสองวันสามวันเว้นสี่วันห้าวันมีก็เว้นตั้งกีวันมาแล้วเนี่ยเห็นหมูยุ่งยุ่งกับอาเนะี่ก็เลยมันไม่ค่อยจะพร้อมกันเท่าไหร่ก็เลยปล่อยปล่อยบางคนก็นเหลิงไปละมื่อเหลิงก็คือทำลายตัวเองอีกแหละเราไม่ได้อยู่ในท่าทีที่จะทำให้เราเหลิงในเมื่อ มีโอกาสในเมื่อให้โอกาสอันนห้นคือประโยชน์ตนก็รีบขวนกว่ารีบสร้างรีบทำให้มากเข้าอันนี้เราพูดถึงพระเราแต่ในครัวในครัวทำาะไรตอนเช้าเนี่ยนะไม่มีถ้าไม่ถ้าไ ม, าไมต่างคนต่างทำวัดเอาเองจะทไมอ่ะไม่มีเวลาไปไปรวมกันทำวัดในครัวเมื่อด้จะรวมกันทำวัด นะทำวัดก็คือเข้าลรงครัวนั่นแหละนั่นแหละคือวัดถ้าไม่มีเวลารวมกันทําวัดก็ขอให้ก่อนที่จะได้เวลาลงไปตีหมอตีไหนะนะ้นั่นแหละตอนเช้านะทวัดสวดม น, นั่งภาวนาให้เป็นประจำได้มากได้น้อยก็แล้วแต่อดเอาทนเอาฝืนเอา อดเอาสร้างคุณางามความดีอดอดอดอ ด, อดทนทนสร้างบุญบารมีต้องอดต้องทนเอาอย่างอยู่สะดวกสบายแต่ขาดทุนมันก็เสียเวลาไปเปล่าๆวันวันคืนนลงไปเสียเวลาเปล่าๆอยู่สะดวกสบายขนาดไห น, นก็ตามแต่ว่าขาดข้อวัด ที่ดีที่งามไม่เป็นการสะสมเราเสียเวลาไปมุยาลบาศแต่ไม่ปล่อยเราคงต้องใจทำธุระส่วนตัวธุระส่วนรวมธุระส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ก็ทำให้สมบูรณ์ทำให้สมบูรณ์แบบเรา อยู่ในหน้าที่งั้นเราก็ต้องช่วยกันยางงั้นเราเป็นกองสเสบีย ง, งช่ว ย, ยงั้นเนหนเื่อยกับทนเอามันไม่มีใครตั้งใจจะทำให้ตายดอกอดเอาทนเอาอดทนทุกอย่างทนปากด้วยมังทีปากอดไม่ได้ทนไม่ได้แบบ พร่อยออกมาละออกมาแล้วก็ไปกระแทกนู้นไปกระทบนี้นต้องระวังถ้าเราปล่อยช่องนี้มันออกมาอยู่เรื่อยๆมันก็ขาดความสมบูรณ์เขาเรียกเขาเรียก ว, ว่ารู้แต่รู้แต่ทำไม่รู้จักเอาทำยุ่ความดีแต่ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักเอาปล่อยความไม่ดีมันไปแทก ใส่แต่ปากก้นรั่วใส่ไม่เต็มสักทีมันจึงให้ระวังกายให้ได้ระวังวายจาให้ได้สำรวมกายให้ได้สำรวมวายจาให้ได้สำรวมใจให้ได้ใจมันสำรวมยากแต่ถ้ามันนึกคิดอยู่ข้างในมันก็ยังไม่เดือดร้อนถึงข้างนอก ต้องอดต้องทนให้มากความอดทนต้องเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานไม่มีใครอยู่เพ่าฟ้าเดี๋ยวก็ตายรักกันขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายจากกันชังกันขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายจากกันคิดอย่างนี้ให้มากคิดในแง่เมตตาคิดในแง่ให้อภัยคิดในแง่เห็นว่า เป็นหมูเป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบโครัวเดียวกันแล้วก็มีมีความเชื่องชินกันทางด้านจิตใจเห็นกันกบบเหมือนพี่เหมือนน้องมันชินเมือนเชื่องชินกันทางด้านจิตใจมันไม่ได้คิดว่าคนนั้นคนนี้ความจะจะจับผิดยา ง, ง้งจับจับผิดอย่างนี้มันไม่มี อ้อบอกเขาเป็นพี่เราอ้อบอกเขาเป็นน้องเราอ้อขอกเขาเป็นเพื่อนเราอ้ขบอเขาเป็นคนช่วยเหลือเราคิดไปคิดมามันมีความเกี่ยวข้องกันตลอดอมีข้อ บ, บกพร่องกัมีการอนุาลรวยกันด้วยเมตตาขัดตุบบกพร่องด้วยกันเท่านั้นแหละพวกเราไม่มีใครสมุนแบบ เขาก็ขาตกบกพร่องอย่างนึงเราก็ขาตกบกพร่องอย่างนึงมนไม่มีใครสมบูรณ์แบบถ้าเราคิดแง่เนี้อทิฐิมานะมันก็ไม่มีที่จะไปยกตนเหยียบเขายกตนข่มเขามไม่มีเห็นเป็นเพื่อนเห็นเป็นพวกเป็นพ้องพ้องอย่างน้อเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตาย เพื่อนทุกข์ยากดิ้นลำบากบ ร, บริหารบริหารอัตภาพร่างกายหาอยู่หากินหาใส่หานา้ำหาปลาใส่เข้าไปให้มันอันตภาพร่างกายไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันดอกแต่สิ่งเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้เรามีปัญญา ถ้าเรามีปัญญาพิจารณาและสิ่งวันนี้จะช่วยเสริมให้เราเป็นคนดีได้จากนั้นแล้วก็ข้อสินจิขาขอ ง, ขอ ง, ของตัวตนเองก็ศึกษาเข้าไปธรรมะที่เป็นข้อวัดประจำยืนเดินนั่งนอนโทอโคุโทอโคุโทอโโโอัดเข้าไปคำว่าจวดจอเข้าไปสงบดิง่ง มันช่มให้มันเย็นอย่าพามันออกนอกลูกนอกทางอย่าเอาเวลาที่ดีที่เหมาะสลับสินสลับทำไปทะลงุงเอาไปทะลุกับเรื่องของกิเลสเป็นการทําลายตัวเองด้วยทําลายเวลาด้วยทําลายสินธรรมออกจากจิตใจด้วยอันนี้แย่มากๆต้องระวัง อย่าให้เป็นเราดูสมมุติให้มันออกสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นพร้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศิษย์สิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติดูให้ออกเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายเป็นรูปยมเป็นรูปพระเป็นรูปอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติดูให้ออก ให้เข้าใจให้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้คือสมมุติสมมุติกันเรียกกันอะไรกันสิ่งที่เป็นสาระสําคัญก็คือคุณธรรมที่จะพึงเจริญในหัวใจของเราของท่านนั่นความสงบก็พยายามทําให้เกิดให้มีให้เชื่องให้อยู่กับมือปัญญาพิจารณามองให้เห็นมองให้เลยสมมุติไปนี่ก็พยายามพิจารณามองให้มันเลยไป ยายมันไปติดแค่สมมติติดแค่สมมติก็ต้องเข้าใจเรื่องของสมมติพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมก็พยายามดูให้เลยสมมติไปสมมติไปดูให้เลยเสมมติไปดูให้เลยคำว่าสวยดูให้เลยคำว่างามไปเลยไปแล้วมันเป็นอะไรล่ะ ผมเห็นเป็นรูปนี่เป็นหนังเลยหนังเข้าไปเป็นอะไรเป็นเนื้อเป็นเลือดเลยเข้าไปเป็นเอ็นเป็นกระดูกอาการส2บสองที่เป็นชื่อนี่ก็เป็นสมมุติอีกแต่เราดูให้เลยชื่ออันนี้เข้าไปอีกให้ดูผมก็สักแต่ว่าผมขนก็สักแค่ว่าขนเล็บฟันหนังเนื้อดูให้เลยสมมุ ต, ติต่างๆเหล่านี้ไป จิตเข้าไปอยู่ในเนื้อแท้ของมันเนื้อแท้ของผมดูขนก็จิตเข้าไปอยู่ในเนื้อแท้ของขนเข้าไปอยู่ในเนื้อแท้ของเล็บของฟันของหนังโดยที่ไม่ต้องไปเรียกชื่อมันหัดพยายามเจาะให้มันทะลุเข้าไปางั้นให้เลยจากสมมุตินี้ไป ห, หัดพยามมพยามมองมุมรอบข้างตัวเรา ตีกระแสธรรมถ้าเราพยายามฝืนดูให้มันทะลุทะลวงเลยสมมุติไปมันก็เป็นการสร้างนิสัยของเรามันเป็นการสร้างปัญญาของเราเราจะเหาะเราจะเราจะเห็นว่าสิ่งรอบข้างตัวเราเนี่ยเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะอยู่รอบข้างตัวเราเท่านั้นดูไม่ให้สมมติปรกากฏดูไม่ให้สมมุติเกิด ดูให้ทำเกิดเข้าไปอยู่ในเนื้อแท้ของมันเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นนื้อดูภาวะของความเป็นเนื้อไม่มีเราไม่ใช่เนื้อเราไม่ใช่เนื้อเขาไม่ใช่อะไรเป็นเอ็นเป็นกระดูกมามหัวใจตับท้งผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กดูมาที่อวัยวะ ของเราที่มาประกอบกันมารวมกันที่เรียกว่าสันฐานสันฐานตีนเท้าสันฐานมือสันฐานลําตัวสันฐานปากสันฐานตาสันฐานแขนสันฐานอะไรทุกอย่างที่มันมีอยู่อาการ32มารวมกันแล้วก็เป็นปัญจสาขาขาสองแขนสองลำตัวหนึ่งหัวหนึ่ง เรียกว่าปัญจสาขาปัญจก็คือห้าสาขาแล้ว่ากิ่งก้านขแขนงปัญจสาขานุงา่ผนง ผ, มมผ้าห่มผ้านุ่งจีวรห่มจีวรนดูให้เลยส ม, มุติจากคําว่าผู้ชายดูให้เลยสมุติจากคําว่าผู้หญิงย้ำดูให้เลยเข้าไปดูเจาะให้ทะลุเข้าไปหัต มองหัดดูจิตใจมันจะซึมซึมซับซึมทราบอยู่แต่กับธรรมชาติอยู่รอบข้างตัวเราเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยก็เป็นธรรมชาติสิ่งรอบข้างตัวเราก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติทั้งนั้นแหละถ้าเราพยายามตั้งใจดูอยู่อย่างนี้ความขัดเคืองใจมันก็ไม่มี ความยึดมั่นถือมั่นด้วยความยินดีมันก็ไม่มีเพราะมันดูนเลยไปแล้วเลยจากความยินดีไปเลยจากความยินร้ายไปถ้าหากเรายังมองไม่ทะลุไม่ทะลวงสิ่งเหล่านี้มันก็ไปคาอยู่กับรูปนั้นมันมันก็ไปคล้องอยู่กับรูปนี้คําว่าคล้องเนี่ย ดีใจมันก็ถือว่าคล่องเสียใจมันก็ถือว่าข้องดีใจก็เห็นว่าเป็นสวยเป็นงามก็ถือว่าคล่องไม่ถูกใจไม่น่ายินดีไม่น่าเพลินใจก็ถือว่าขัดคล่องนี่แสดงว่าใจไม่ได้เข้าไปถึงหลักความเป็นจริง การที่จะเข้าไปถึงได้ต้องหัดมองหัดพิจารณาหัดพิจารณาให้เห็นสภาพของธรรมสภาพต่างๆเหล่านี้แหละเป็นสภาพธรรมสภาพที่มันมีของมันมันเป็นของมันที่เรียกว่าสภาพธรรมเราก็หัดเรียกชื่อเรียกชื่อแล้วพยายามมองให้เลยคําว่าเรียกชื่อนั้นไปชื่อผู้ชายอ่าชื่อผู้หญิง เรียกชื่อแล้วพยายามมองลึกททะลุเข้าไปผู้ชายก็มองดูให้ทะลุเข้าไปทะลุหนังเนื้อเป็นกระดูกทะลุเข้าไปเนื้ออะไรเป็นเนื้อเนื้อร่องเป็นเลือดกปเด็เลือดแดงเ็นไปหมดเป็นอวัยวะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จะเห็นสัตาาว์ว่าไปเห็นไปดูหัดดูนี้ ไม่ใช่ไปดูแล้วก็ไปติดแต่ผิวไม่ใช่ไปดูไปติดแต่สันธารสันธานผมขนเล็บฟันหนังอั่นะติดแค่นี้แหละผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยผมอยู่ข้างนอกขนอยู่ข้างนอกเล็บอยู่ข้างนอกฟันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในนั่นแหละที่เวลาพูดมาก็เห็นอยู่ข้างนอกหนังอยู่ข้างนอกหนังครอบไว้คลุมไว้ นี่แหละสิ่งที่ปรากฏในสายตาจากนั้นแล้วก็สันฐานมันก็โผล่ขึ้นมาอ๋อรูปคนเนาะมีขาสองขามีมือสองมือมีลมีหัวหนึ่งหัวตัวอ้วนตัวผอมตัวสูงตัวต่ำตัวดําตัวขาวดูคำสรุก็ไปพยายามหัดดูสิ่งวันนี้เป็นธรรมพยายามหัดดูพยายามหัดพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม การที่เราหัดดูก็เป็นการใช้ใช้จิตให้เกิดความฉลาดในขนาดเดียวกันก็เกิดความสงบไปในขนาดเดียวกันถ้าเราดูได้ดูได้อย่างต่อเนื่องความสงบที่เราจะเห็นได้ชัดๆก็คือความอยากมันเกิดขึ้นจากกระแสะของตัณหาที่มันจะพาจิตเราอยากความอยากอันนี้มันมันในเมื่อเราไม่ป้อนอาหารให้กับมันเนี่ย มันก็ไม่กำเริบอาหารของมันก็คือพยายามไปเราไปพยายามเสริมมันอ๋อขาวอ๋อพองอ๋อผิวพันธ์ผุดพองอ๋อสวยอ๋องามสีนี้นสีนี้ก็ว่าไปคือไปเสริมยิ่งไปเสริมความอยากมันก็ยิ่งกำเริบความอยากก็คือกามกามทั้งหลายนี่คอยที่จะ ก, กำเริบ กามที่อยู่ในใจของสัตว์จิตใจของเราของท่านเนยคอยจะจัดกำเริบถ้าเราใส่อาหารให้กมันคิดส่งเสริมมันก็เป็นการเพิ่มให้มันกำเริบแต่ถ้าเราคิดตรงกันข้ามแบบที่แนะนำไปนี้ก็จะทำให้เราจะทำให้เราเนี่ยเปลืองมันออก ดึงอาหารของมันออกแทนที่จะพิจารณาเห็นว่าเป็นสวยเป็นงามก็ดูให้เห็นเป็นอสุภะดูให้เลยอสุภะเข้าไปอีกดูให้เห็นเป็นสุภะดูให้เลยสุภะนั้นไปอีกมันจะเป็นอะไรดูให้เลยนั่นก็ไปอีก เรื่องอสุภะนั้นเป็นเป็นธรรมเป็นสัญญาเป็นสัญญาเป็นบทธรรมที่เป็นสัญญาที่พระพุทธเจ้าทั้งสอนให้เราฝึกอสุภะฝึกรู้ให้เห็นเป็นอสุภะที่จะเรียกว่าอสุภะสัญญาหมายว่าไม่สวยไม่งาม สัญญามันเกิดจากใจของเราพระเราหมายไปแล้วมันก็ยินดีถ้าเราหมายเพื่อยินดีมันก็ยินร้ายถ้าหากเราหมายยินร้ายมันก็หน้าเบื่อหน้านายถ้าเราหมายให้มันน่าเบื่อหน้านายเช่นเรามองเห็นอัตภาพของเราของท่านเนี่ยอ่ นอนเจบอบยุ้ยเยะเต็มไปหมดเจาะชอนชัยตรงไหนก็นแล้วแต่เราจะให้มันเจอบเป็นตายเป็นพองเป็นเน่าเป็นเปือ่อยเป็นนอนแมงวันมาเป็นฝู ง, งมาปล่อยนอนใส่นอนก็เจอบยุ้ยยุยเยะยุบยับเนี่ยน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยอะออกจากก้นของมันออกจากแผลของมันนี่เราสร้างให้เกิดความเบื่อนหนาย ใจมันก็เบืออหน่ายได้ทั้งๆที่เราใจตัวนี้แหละสร้างอันนี้เป็นธรรม ท, ที่พระพุทธเจ้าท่านให้สร้างอสุภสัญญานี่คืครัว่าเราสร้างสิ่งเหล่านี้กรอบเกลือนปิดบังที่กิเลมันชอบยุแยะให้เห็นว่าเป็นสวยเป็นงามกิเลมันชอบสร้างให้เห็นว่าเป็นสวยเป็นงามแต่เราเอาสัญญานี่แหละที่เป็นสัญญาโดยธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอ น, น เปหมายให้เห็นเป็นของน่าเกลียดเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของไม่สวยไม่งามปฏิกูลโสโครกที่จริง ท, ท, ท, ท, ท, ที่จริงแท้มันก็ปฏิกูลโสโครกเลโดยสีโดยกลิ่นดูกลิ่นมันทวานทั้งเก้าดูกลิ่นมันอันนั้นนะคือกลิ่นที่แท้เข้ามันอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นที่จะไปเสริมกเกลีลยดแล้ว กลิ่นตาเป็นไงกลิ่นปากตอนเช้าเป็นไงยังไม่แปลงฟันนะ่ะกลิ่นหูกลิ่นจมูกเป็นไงกลิ่นปากกลิ่นทรวงหนนะักกลิ่นทรวงเบาอุ้ยล้วนแล้วแต่อูจารบาดหูบาดตาทั้งนั้นแหละความปฏิกูลโสโครกของมนุษย์นี่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้สร้างสัญญาให้เห็นว่าน่าเบื่อนหน้านาย เพื่อเป็นการชะลอความอยากถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มาตัดเราก็มีแต่อยากคือความอยากทําให้เรายินดีแล้วก็ทําให้เรายินร้ายเวลามันประสบชอบใจพอใจมันก็ยินดีเวลาไม่เป็นที่ศกอารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็ยินร้ายทั้งยินดีทั้งยินร้ายก็คือจอมปลอม กลสมันเสกแส่เสกเสเสแซงเสกเสกให้ให้ใจของเราเนี่ยเชื่อไปตามมันเคลิ้มไปตามมันถ้าเราสร้างอารมณ์อสุภสัญญาขึ้นมาทําให้เราเบื่อนายเมื่อเบื่อหน่ายใจมันก็ไม่ดึงออกมาแล้วมันก็มียึดเข้ามาในเมื่อมันไม่ยึดเข้ามาไอ้ตัวความอยาก ตัวราคะตัวตัณหาตัวอะไรที่มันจะคอยมาเหยียบย่าทําลายหัวใจของเรามันก็หดหัวถอยไปมันก็หดถอยไปหดถอยไปสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเครื่องเล่นเป็นเครื่องพิจรารณาเพื่อเข้าไปเพื่อเข้าไปถึงหลักสัจธรรมที่แท้จริงที่เรียกว่าทำทำทำ เข้าไปสิงสภาพตามที่มันมีอยู่อย่า ง, งานั้นเป็นอยู่อย่างนั้นของมันแต่ตัวนี้เป็นธรรมเป็นอสุภะเป็นสัญญาที่เป็นธรรมอนิจจสัญญาอสุภะสัญญาอนัตตสัญญ า, ญญาท่านสอนให้พิจรารณาสัญญาต่างๆวันนี้คือใจมันไปคาดไปหมายไปเดาให้เห็นว่าอนิจจังก็เป็นเหตุให้เราจะเริ่มเข้าใจรู้เรื่องอนิจจ์ทุกขัง ก็ให้เราเค็ดลาบเบือนายในกองสังขารของตัวเองทุกครั้งนี่จังทุกขังอนัตตาอะไรก็ยึดมัน่นถือมัน่นไม่ได้สักสิ่งสักอย่างอนัตตาสัญญาอสุภสญญะสัญญาปฏิกรุณาสัญญาอสนะุภะสัญญาสบะโลกยานะพิรจจะสัญญาพิจาราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาเท่านั้นแหละแต่เป็นสัญญาโดยธรรมพทุทธเจ้าท่านสอนให้เราเรียนสอนให้เราเอามาพิจารณาให้หมายก่อนที่ปัญญาที่แท้จริงจะเกิดก็ต้องคาดต้องหมายต้องเดาไปซะก่อนอการคาดการหมายการเดาคือสัญญาตัวนี้แหละดูพิจาาารณมกพิจารณาให้มาก หลับตื่นลืมตากำหนดจดจ่ออย่างต่อเนื่องต้องการให้สงบก็กําหนดบทเดียวพุทโธพุทโธพุทโธก็ดูจิตของตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธก็ดูจิตของตัวเองพุทโธพุทโธดูจิตของตัวเองจิตยิ่งสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกําลังมากเท่านั้นโอกาสที่เราจะเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงตามที่พูดถึงนี้ก็จะมีโอกาสได้เร็วขึ้น อาศัยความสงบของจิตนั่นแหละมันไม่ให้กิเลสมันดิ้นรนะเยอทะยานคึกขนองดิ้นรวดพลาดออกหาอยู่หากินตามภาษาของกิเลสในเมื่อเราพยายามตัดมันมันก็ดิ้นไม่ได้ในเมื่อดิ้นไม่ได้เราก็มีโอกาสพิจรารณามันเป็นเหตุเสริมสติเสริมปัญญาจะทําให้เราเข้าใจหลักของธรรม ความสงบของจิตการที่เราไม่ถูกมันแทรกแซงสงบมากๆเข้าจิตก็มีกําลังจิตมีกําลังโอกาสที่จะเข้าถึงสัจธรรมก็เข้าถึงง่ายเห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายยามดูดูให้ทะลุดูให้ทะลุให้เลยสมมุติอย่างที่วัน สมมติเป็นสัตว์เป็นบุคคลสมมุติเป็นผมเป็นขนดูให้จิตเข้าไปอยู่ที่เนื้อแท้ของมันหัดดูหัดดูจะเกิดความรู้สึกว่าเราอยู่กับธรรมชาติรอบข้างตัวเราธรรมชาติทั้งนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนแต่เป็นธรรมชาติ นี่ก็เป็นการพิจารณาเป็นอุบายพิจารณาอย่างหนึ่งพยายามดูให้เห็นด้วยเข้าใจพยายามใช้จิตให้เกินพยายามใช้จิตให้อยู่ให้จิตอยู่กําหนดตั้งแต่ฝ่าเท้านะ่ะเอ็มซื้อขึ้นมาบนปลายผมเนี่ย กำหนดซื้อจากปลายผมไล่ลงไปฝ่าเท้านกำหนดไล่ดูตัวคนตัวเองสังเกตสังกาศึกษาอยู่ในนี้เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเให้เกิดปัญญานี่ก็เป็นงานในขณะที่เราตั้งใจทำก็ได้รับความสงบด้วยได้ความรอบรู้ด้วยได้ปัญญาด้วย ความสงบก็หนุนปัญญาปัญญาก็หนุนความสงบความสงบก็หนุนปัญญาปัญญาก็หนุนความสง บ, สงบก็ทํางานต่อเ น, นื่องไปอย่างนี้เรามาคิดารณดูที่เราหลงล่ะมันหลงทำไมมันดักนานเหลือเกินหนักหนาสาหัสเหลือเกินเราขัดความสนใจน้อมนํามาอปปณะยโกเข้ามา ดึงเข้ามาพิจารณาเข้ามาใครครวนเข้ามาใจ ต, ตรองเข้ามาคลี่คลายเข้าม า, าเราขาดวิจยะคือการสอดส่องธรรมต่างๆเหล่านี้โอกาสที่จะทําให้เราสงบค่อยากโอกาสที่จะทําให้เรารอบรู้ค่อยยากความเพียรก็เสริมเข้ามาความอดความทนก็เสริมเข้ามาต้งอกตั้งใจ ทำให้ได้อย่างต่อเนื่องใครสามารถทำได้ต่อเนื่องคนนั้นก็จะเห็นความแปลกปรลาดอัศจรรย์ในจิตของเราเร็วขึ้นทุกคนมีโอกาสทำได้ด้วยกันทุกคนมีบุญมาแล้วด้วยกันทุกคนมีวาสนามาแล้วด้วยกันทุกคนมีบารมีมาแล้วด้วยกันทุกคนไม่งั้นพวกเราไม่มีโอกาสได้มาประสบพบเห็น ถ้ามัวแต่นั่งต่มิตรเตียนตัวเองอยู่อย่างนี้วันคืนล่วงไปเปล่าไม่ได้ไประโยชน์อะไรเหมือนสำหรับกับข้าวนั่งอยู่เมเพาะหน้าไม่หยิบข้าวปากการที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทาเหมือนกับเราพยายามบริโภคเข้าไปเราจะทราบเองรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มความสงบมากน้อยเราจะต้องได้ประสบพบเห็น ปัญญาโดยทำมากน้อยเราก็จะต้องได้ประสบพบเห็นจากมากจากน้อยไปหามากความสงบจากน้อยไปหามากเพิ่มพูนทวีคูณไปเรื่อยปัญญารอบรู้ในขังขานทั้งหลายก็จากน้อยไปหามากก็ เ, เพิ่มพูนทวีคูณบวกกันเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเป็นลักษณะสังสมเป็นลักษณะอบรม นี่มีคคาอยู่เฉยๆแล้วภาชนะจะเต็มไม่มีมีแต่จะต้องหาอะไรใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันถึงจะเต็มขึ้นมาได้มันไม่มีอยู่เฉยๆแล้วมันจะเต็มขึ้นมาไม่มีหรอกบุญญาบารมีของเราก็เช่นเดียวกันอยู่ให้มันเต็มอยู่ ซ, ซื้อให้มันเต็มมันเต็มไม่ได้หรอกวันคืนลุ่งปต้องทําต้องสั่งสมต้องอบรมไม่สงบพยายามทําให้สงบ พิจนารณาได้มากเลยน้อยพยายามหัดพิจารณาเนื่นางว่าเราลงทุนลงรอนสร้างเหตุถึงขนาดนี้แล้วผลมันจ ะ, จะต้องตามมามากน้อยจนได้ไตั้งอกต้องใจทําได้มากคือได้บุญมากทําได้น้อยคือได้บุญน้อยไม่ทําก็คือไม่ได้อะไรเลยกนแล้วนินกินแล้วนอนไม่ได้อะไรเลยอืม กินเต็มท้องกินเต็มปากเป็นท้องไปแล้วก็ไปนอนไปถลุงพลังงานหมดตื่นขึ้นมาหิวอีกแล้วหาใส่อีกแล้วตรงนี้ก็น่าคิดอีเหมือนกัน <c oughs> ใส่กำลังเต็มที่ไปไปถลุงเวลาไะหมดสองสามสี่ชั่วโมงตื่นขึ้นมา อ๋อหมดไปแล้วนอนกินแล้วนอนตื่นขึ้นมาอ้าวหิว อ, อีกแล้วและที่ใส่ไียงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรต้องยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอ้าวหิว อ, อีกแล้วเรามาพิจรารณาดูในแง่นี้มันก็คขำดีนะมันจุพลังงานไปเต็มปเต็มเปลี่ยมเต็มแปร ถาไปถลุงทิ้งพิจารณาให้ดีนะให้ได้ข้อคิดนะไปเดินให้เหนื่อยชันเสร็จไปเลยไปเดินให้เหนื่ยอยช่วงไหนที่มันปลอดโปร่งที่สุดเราพยายามตั้งใจนั่งอยาให้มันผงกหน้าผงกหลังนังสะพงก์น่าอาอยาให้มันสบพงก ช่วงไหนที่อารมณ์มันปลอดโปร่งที่สุดพยายามตั้งใจนั่งห้านาทีสิบนาทีหัดให้ได้ฝึกให้ได้ช่วงไหนมันเคริ้มเคลิมเลิมมากเกินไปเป็นการเสี่ยงไปเดินให้มากเดินไม่หวัดไม่ไหวหเหนื่อยก็ไปพักให้มันบ้างหรืออดหรือทนจริงๆก็ไปพักให้มันแต่ก็ทำความรู้สึกตัวตลอดพร้อมอะไระ่พร้อมที่จะลุกพร้อมที่จะเดิน ควาที่จะนั่งเขาหน้นนาคิดเหมือนกันเนะพราะเราเพราะเรามันยิ่งย่อนยิ่งหย่อนกันเพราะความเพียร น, นี่แหละง้อง้อกว่ากันฉลาดกว่ากันยิ่งย่อนกว่ากันก็เพราะความเพียร น, นี่แหละไร่ความเพียรมากคนนั้นก็ชนะมู ความเพียร น, น้อยก็ด้อยกว่ามูมาอะไรก็ไม่ทันไม่ทันเขามาอะไรก็ไม่ทันเขาจิตวิญญาบารมีก็ไม่ทันเขาอันนู้นอัน น, น, นี้อันไหนก็ไม่ทันเขาอยู่ที่ความรมะมัดระวงังสร้างและสร้า ง, า ง, างตัวนี่แหละ ความอดความทนความอุตสารคอยาบิงบันดาลใจแรงบันดาลใจต้องมีสิ่งที่เป็นกําลังใจต้องมีอยากได้ดีนั่นแหละเป็นสิ่งบันดาลใจเขาดีได้แล้วทําไมจะดีไม่ได้เขาทําได้ทําไมเรจะทำไม่ได้ทําจนถึงขั้นว่าขาโมยทำก็แล้วกัน ทำงานส่วนรวมเนี่ยกูจะได้น้อยกว่าขโม่ขโมยทำขโมยแบบนี้ไม่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรยิ่งไ้บุญมากทำมากๆตรงไหนเขาปล่อยเขาทิ้งเอาไว้เราก็พยายามไปทำไม่แพ้เขาแหละชนะเขาแต่ถ้าเป็นกิเลสนะ มันกลัวเสียเปรียบเขาแ ต, แต่ถ้าเป็นเรื่องของทรรมแล้วถือว่าชนะเขาเราจะเป็นลูกน้องกิเลสหรือจะเป็นลูกน้องธรรมกลัวแต่จะเสียเปรียบเขากลัวแต่จะเสียเปรียบเขาก็คือกลัวเสียผลรายได้ทั้งด้านศีลทั้งด้านธรรมทั้งด้านข้อวัดปฏิบัตริรีบเร่งขวนขวาย มให้ันเสียไปล้ำเวลาอันนี้ยิ่งทํามากเท่าไรยิ่งยิ่งได้เปรียบแต่เราอย่าไปเทียบเทียบคิดตัวเรานี่แหละไปเทียบคนนั้นไปเทียบคนนี้ถ้าเทียบคิดเทียบก็คิดขโมยเทียบอย่าเป็นการไปคุยไปอวดไปโอ้อไปอะไรทอะไรน่ากลายเป็นกิเลสมันมาลุกล้ำอยู่แล้วก็ต้องระวัง มันดังที่ตัวเองชนะที่ตัวเองเทียบที่ตัวเองนะเอาเอาเป็นว่าเอาทำเทียบกับกิเลสกิเลสเทียบกับธรรมกันแ้วมันยังไงเราจะได้เปรียบเสียเปรียบมันอ๋อเสียเปรียบมันแล้วอพยายามต่อสู้ให้ได้เปรียบอะไรที่จะทําให้เราได้เปรียบมันอ่ะกุสศลเข้าไปพยายามเข้าไปขยันมันไปจดจ่อเข้าไปกด เข้าไปทนใครเข้าไปใช้สติใช้ปรรัญญาพิจารณาเข้าไปรับผิดชอบตัวเองนั้นมากรับผิดชอบความหมายว่ า, วาพร้อมที่จะทํำสิ่งต่างๆเหล่านี้หละรับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบคือปล่อยกะเป๋กะว่าเหมือนปลารอยน้ําอย่างพี่ว่าไม่รับผิดชอบล่ะ เอาละพระสมควร